จัางฝันแบบเลื่อนลอยเป็นสุขในระยะสั้นก่อทุกข์ในระยะยาวคิดฝันแบบอยากพุ่งไปให้ถึงจริงเป็นทุกข์ในระยะสั้นสร้างสุขในระยะยาวจัางฝันแบบเลื่อนลอยทำให้เป็นสุขในระยะสั้นด้วยจิตที่ผ่อนคลายแบบเมื่อเมื่อแต่ก่อทุกข์ในระยะยาวด้วยจิตที่หาอะไรในชีวิตไม่เจอสักอย่าง ความคิดฝันแบบอยากพุ่งไปให้ถึงความจริงทำให้เป็นทุกข์ในระยะสั้นด้วยจิตที่กระวนกระวายกระหายอยากแต่สร้างสุขในระยะยาวด้วยจิตที่พึงพอใจกับการมีเป้าหมายในชีวิตการมีสติรู้ว่าอารมณ์ช่างคิดช่างฝันไม่เที่ยงทำให้เป็นสุขในระยะสั้นด้วยจิตที่ผ่อนคลายหายเมื่อหายกระวนกระวาย และบรรดาสุขในระยะยาวด้วยจิตที่รู้แจ้งว่าเหนือความฝันคือหลุดจากการฝันฟุง้งอย่าดุ่มเดินตรงท่าเดียวมนุษย์คิดได้เลี้ยวได้เปลี่ยนได้เพื่อจุดหมายที่ใช่ตอนย่าอยู่กับที่แม้มีล้านเสียงเชียร์ว่า เดี๋ยวอะไรอไรก็ต่างไปใจเย็นๆคุณก็ไม่อาจหวังอะไรออกมาจากความรู้สึกที่แท้จริงว่าเดี๋ยวอะไรอะไรจะต่างไปจริงๆตอนคือไปข้างหน้าต่อให้ไม่มีเสียงเชียร์แม้แต่หนึ่งเดียวคุณก็เห็นอยู่กับตาว่าอะไรอะไรแตกต่างไปเรื่อยๆสองขาก้าวเดินไปแม้ยังไม่เห็นจุดหมายแต่รอบข้างก็ต่างไปเห็น กำลังขาอยู่ตัวมากขึ้นชัดๆใจเป็นใหญ่ใจเป็นประธานจิตเป็นนายกายเป็นเบาขาคนเราไม่ได้ก้าวเดินเองใจต้องเป็นคนสั่งให้ก้าวอาจเริ่มก้าวจากใจที่ถามตัวเองง่ายๆว่าเรากำลังออกท่าย่ากับที่หรือกำลังลุยทางก้าวไปข้างหน้าถ้าตอบตัวเองว่า กำลังเดินอยู่เดินเดินไปก็ถามตัวเองด้วยว่ามาถูกทางหรือเปล่าถ้าตอบตามจริงว่ามาผิดทางก็ให้จ้องรอหาทางที่จะเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาให้เจออย่าดุมเดินตรงท่าเดียวมนุษย์คิดได้เลี้ยวได้เปลี่ยนได้เพื่อจุดหมายที่ใช่สังเกตใจและคุณจะเข้าใจขึ้นมาว่าเหตุผลของการมีความหวัง ไม่ใช่พลังผลักดันจากภายนอกแต่เป็นการก้าวไปของใจนี้เมื่อใดใจเห็นภาพตัวเองเอาตาเล็งไปข้างหน้าเอาขาก้าวไปให้ถึงความห่อเหี่ยวจะไม่เกิดต่อเมื่อใจเห็นภาพตัวเองจมน้ำหรือย่ำกับที่ไม่เคลื่อนไหวปล่อยให้ความสงสารตัวเองยึดแขนยึดขาวไว้ให้กลายเป็นคนพิการทางวิญญาณนั่นแหละที่มาของความรู้สึกสิ้นหวัง